ข้าจสำนวนแนววิปัสสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติกับพระอรหันต์อุปตโตภาควิมุตตในมหานิทานสูตรที่คณิกายมหาวัฏพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องวิญญาณถิติเจ็และอายตนะสองให้ท่านพระอนุ์ฟังวิญญาณทิติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณมีเจ็ได้แก่หนึ่ง สัตว์ที่กายต่างกันมีสัญญาต่างกัน 2. สัตว์ที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน 3. สัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกัน 4. สัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันวิญญาณทิติที่5ถึง7ได้แก่อารุปภพ3ข้อแรกมีอากาาสารัญจายตนะเป็นต้นส่วนเรื่องอายตนะสอง อายะตนะหมายถึงแดนมีสองคืออสัญญีสัตตายะตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะบางทีรวมวิญญาณทิฏฐิเจและอายะตนะสองเข้าด้วยกันเรียกว่าสัตตวาฏ9ที่กล่าวถึงวิญญาณทิตฐิเจและอายตนะสองอย่างนี้เป็นเพียงวิธียักเยื้องเทศนาอย่างหนึ่งเท่านั้นจะใช้ขันห้าแทนที่ลงไปก็ได้เพราะครอบคลุมเนื้อความทั้งหมด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 อันหาอาสะวะไม่ได้ทิุนี้เรียกว่าเป็นอุปโตภาคาวิบุต